ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิยานในวันนี้ก็จะส น, นําำเสนอเรื่องทานนบรรมีต่อไปก่อนๆได้ประลบถึงตัวเหตุที่กระตุ้นเตือนให้คนให้ทานประเภทแรกเรียกว่าโลกาที่ประยตยทานคือประรบ ุมชนหรือสังคมหรือว่าโลกคนนิยมกันก็ทำไปตามเขาแนวที่สองนั้นเรียกว่าอัตราที่ปัตยฐานคือประรบตนสถานะของตนเห็นว่าอยู่ในฐานะที่จะส ง, ง, งเคราะห์นุเคราะห์ช่วหลือคือกูุ่บุคคลอื่นได้โดยการมาเป็นกุศลสาธารณะต่างๆได้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ให้ไป แต่ความคิดเหล่านี้อาจจะประนีชลึกซึ้งมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าท่านจะพูดถึงตัวกระตุ้นให้เกิดการบริจาคทานในการให้ทานแนวที่เป็นหลักมากเนี่ยคือแนวที่เรียกว่าธรรมาที่ปัตยาทานคือการให้ทานที่ประรบความถูกต้องดีงามโดยไม่ค่อยใส่ใจในรายละเอียด คนจะเห็นหรือไม่เห็นคนจะสันเรินหรือไม่สันเรินได้ลาบยศหรือไม่อะไรแต่ไไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สนใจเพราะว่าเข้าถึงสารฐถะจริงๆของทานคทานที่เป็นเนื้อหานั้นก็คือคุณภาพของ จ, จิตใจที่สามารถปฏิบัติขัดเกลารโลภะโทสะโมหะให้เจือจางบบางลงไป ถ้าเราสังเกตว่าถ้ามีกิเลสข้อใดข้อหนึ่งมันขวางอยู่นี่เช่นสมมุติว่าเรามีความริษยาในคนคนเนี้ยเราให้ทานไม่ได้แล้วเรามีความโลภในของของเราเนี่ยเราก็ให้ไม่ได้แล้วเรามองไม่เห็นสาระประโยชน์เช่นอะไรที่เขาบอกว่าตักบาทรศูนย์เปล่าไหว้เจ้าได้บุญได้กินอะไรไหว้เจ้าได้กิน คนนี้ก็คือจะไม่ให้คือแสดงว่าเขาไม่ได้มองเห็นในสิ่งที่เป็นคุณภาพของจิตใจหรือบุญกุศลที่จะติดตามตนไปดูดเงาที่ติดตามตนไปวันวันก่อนที่ได้ยกเรื่องสาธุสูตรที่ประลบถึงพวกเทวดาทั้งหลายที่ท่านมีประสบการณ์ตรงของท่านในเรื่องการให้ทางของอุบาสกที่เป็นอาจารย์ท่าน แล้วก็ท่านเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วก็บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์แล้วบองฝ้าพระพุทธเจ้าก็พูดมาถึงประเด็นที่เรียกว่าให้ของที่ได้มาในทางที่ชอบธรรมในข้อนี้เทวดาตนหนึ่งท่านประลบหรือท่านอธิบายขยายความต่อไปนะฮะท่านบอกว่าหนึ่งให้ของที่ได้มาโดยชอบทำก็เป็นการดี ชนผู้ใดให้ทานของที่ได้มาโดยชอบทมที่ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรผู้นั้นจะข้ามแม่น้ำชื่อเวตระณีของพระยายมได้ก็อบอกว่าในอบายภูมินั้นมีแม่น้ำชื่อว่าเวตรารณีคือสวดมากแล้วก็ถ้าไม่มีความดีพอก็จะตกไปบางแห่งจึงเป็นชื่อของของนรกนะฮะเป็นชื่อของขุมนรก แล้วก็เข้าถึงฐานะอันเป็นทิพย์คือหมายความว่าผ่านด่านนรกก็ขึ้นสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็เป็นความเชื่อที่ฝังอยู่ภายในใจของท่านตามธรรมเนียมของพราหมณ์แต่ว่าในขณะเดียวกันนี่มันอย่าลืมว่าเป็นประสบการณ์ตรงของท่านคือว่าท่านผ่านนรกชีเวตรณีมาได้แล้วก็เข้าถึง สถานะที่เป็นทิพย์คือเป็นเทวดาได้เอ่อองค์ที่ห้านั้นได้เพิ่มขึ้นอีกข้อนหนึ่งก็บอกว่าอันหนึ่งการเลือกให้ก็เป็นการดีฐานที่เลือกให้นี้พระสุคตทรงสรรเสริญเราเห็นว่าการเลือกเนี่ยเลือกสิ่งที่เราจะให้เลือกบุคคลที่เราจะให้ แล้วก็ดูความพร้อมว่าไม่กระทบกระทั่งต่อโควคะของเราสุดทศชาติของเราอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่คือฟังข่าวคราวหนังสือพิมพ์มีพระสัมภาษณ์บางมีพระเทศบ้างบางรูปนะเราก็โหดูไม่รู้ว่าออกมาจากไหนให้มากได้บุญมากให้น้อยได้บุญน้อยมันพูดขนาดนั้นไม่ได้หรอก เพราะว่าการตามความเป็นจริงแล้วเรื่องฐานเนี่ยเขากําหนดที่เจตนาไม่ได้กําหนดที่ตัววัตถุมากหรือน้อยนะฮะตัววัตถุมันก็ต้องมีให้แหละถ้าวัตถุฐานแต่ว่าเขาไม่ได้กําหนดที่มากหรือน้อยอย่างที่จะยกไปอย่างเรื่องฐานานาทบินเดกาเสษชีก็ดีเรื่องจุเลกัสาดกก็ดีรู้ไหมแต่เรื่องปุณณะธาตุก็ดีที่พูดปัณฑาวันก่อนการบอกว่าการเลือกให้เนี่ย หมายความว่าตรงนี้ท่านจะเน้นไปที่ผู้รับนี่มากเพราะะไรเพราะว่าผู้รับเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาอย่บางก่อนมีญาติโยมหลายคนก็มาบ่นว่าเดวนี่ไม่ค่อยอยากจะทาบุญดักบาตรเพราะว่าพระบางรูปเนี่ยไม่เรียบร้อยบอกว่าโยมเวลานี้เราต้องยอมรับนะ สภาพเมืองหลวงเนี่ยถ้าสืบทหายได้หมดทั้งทั้งเมืองหลวงกรุงเทพธนบุ ร, รีสามารถจะพระพรได้เป็นพันท่านก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าโกนผมเรียบร้อยก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็สวมบมบงกี้สวมมงกี้แคบเข้าตอตอนเช้าก็ออกบินทบาท เอามากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็แยกพวกอาหารอะไรที่เอาไปขายต่อได้ก็ขายนะมีวิธีการหากินตามยุคตามสมัยเสร็จหน้านาะอะไรแต่ไรเนยพวกนี้จะเข้ามามันเป็นปัญหาที่เรียกว่าแก้ยากเพราะอะไรเพราะว่าปณหาศาสนาคนจะปลอมบวชในยามที่ศาสนา มีความหนักแน่นมั่นคงประชาชนมีศรัทธาในศาสนามากแล้วก็ประชาชนข้างนอกเองมีจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะฮะมีปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาเรื่องความไม่มีงานทําอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีคนปลอมบวชเยอะปลอมบวชันก็ไม่เจ็บพระเราจะไปโทษพระไม่ได้ แล้พระก็ไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรไปจัดการกับคนเหล่านี้ด้วยนะฮะต้องเข้าใจมันเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคือเจ้าหน้าที่ตำ ร, รวจแต่เจ้าหนารร้าที่ตำรวจเองท่านก็ไม่รู้ว่าใครปลอมไม่ปลอมแล้วถ้าไปจับไปเจอไปเจอกลางถนนอย่างนั้นมันก็เสียภาพพล ด, ด้วยแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมด้วยเรื่องมันใหญ่นะฮะดูรายละเอียดเล็กบางทีชาวบ้านตรงนั้นและก็หากินด้วยกันกับ พวกที่ปลอมบวชเจ็ดแม่คาขายของตักบาตรบางทีก็รู้กันนี่คือปัญหาแต่ว่าเป็นปัญหาถาวรเพรา ะ, ะนั้นจึงสอนในใขค้ครวนพินิจพิจารณาซะก่อนจึงให้บาลีใช้คำว่าวิเจยยดาหนังสุกตะปสัสสัตทังการใขคร้ครวนพินิจพิจารณาให้ดีซะก่อนแล้วจึงให้เนี่ย เป็การกระทำที่ประสุขคตประสุขคตก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยสมกเรื่องสังเสริญสุขโตนั่นเองก็สุขโตก็คือเสด็จไปดีนั่นเองแต่เราก็ไม่ค่อยได้ยินบ่อยแล้วก็บอกว่าท่านที่มีลักษณะอย่างเนี้ยควรแก่การรับเนี่ยมันรับแล้วเนี่ยมันเกิดบุญเกิดกุศลแก่ผู้ให้เพราะท่าน ที่สมบูรณ์ก็คือปราตจากราคาโทรศัพท์วาา่าพูดง่งงายว่าเป็นพระกีนาศพนะครับแล้วก็ลดหลังก็ลงมาเรื่อยๆพนี้จะให้บุญเกิดเป็นอนุภาพแห่งบุญอำนวยะโยชน์สุขให้แต่ถ้าเหล่านี้ก็มีอยู่ยทุกยุคทุกสมัยว่าก่อนยังฟังท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาบรรยายในหลักสูตรอะไร พัฒนาจิตขออเขาอศมิมายฟังเขาบอกว่า้ใ น, ในปัจจุบันเนี่ยที่จริงก็เกลื่อนกลนด้วยพระญาบคุคคลระดับต่างๆคืนี่ก็เป็นความเชื่อที่อยู่ในกฎในเกณฑ์นนะอยู่ในกฎในเกณฑ์ตามที่พระเจ้าทรงแสดงรับประการเอาไว้ ศาสตร์อรมิมักเปงแปดประการยังมีอยู่การศึกษาการปิบัติชอบตามอรมิมักเปงแปดประการยังมีอยู่ตามนั้นโลกจะไม่ว่างจากระยะบุคคลทั้งสี่แล้วท่านบอกว่าทานที่ให้ในสํานักพราหมณ์เหล่านั้นอหมายความว่าท่านที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบและที่จริงจะเป็นใครก็ตามนะฮะแต่ว่าก็าก็พูดตอบพระพักตรพุทธเจ้าแล้วเมื่อพูดถึงผลอนิสงฆ์มื่อก็โดนในโดนยในญาตดังที่กล่าวแล้วว่า พื้นดินต้องดีแล้วให้พืชดีเนี่ยปลูกแล้วก็จะเจริญคืออิงอาศัยสึ่งกันไดกันท่านก็บอกว่าทานที่ให้ในสัณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นทานมีผลมากเปรียบเหมือนพืชที่หว่านลงในนาดีย่อมมีผลมากฉะนั้นพอมาถึงเทวดาองค์ที่เจ็ดองค์ที่หกก่อนนะครับองค์ที่หกก็ ทบทวนมาทั้งหมดหมายความว่าที่เพื่อนอีข้าอีข้าองค์กราบทูดพระพุทธเจา้จาเยพระพุทธเจ้าก็ประทับฟังยังไม่ได้รับสั่งอะไรนะท่านก็ยอมยอมรับทั้งหมดเพราะท่านก็นํามาเรียงไว้ทั้งหมดคือทบทวนของเพื่อนอีข้าองค์ไว้ด้วยว่าแค่ข้าแต่ท่านพูดมีระทูกการให้ฐานนี้ดีนักซึ่งเป็นคำพูขององค์ที่หนึ่งนะแม้มีน้อยก็ให้ไปตามน้อยก็เป็นการดีซึ่งเป็นคำพูดขององค์ที่สอง แม้ให้ด้วยศรัทธาก็เป็นการดีเป็นครพูดขององค์ที่สามแม้ให้ของที่ได้มาโดยชอบธรรมก็เป็นการดีเป็นคำพูดของงค์ที่สี่แม้เลือกให้ก็เป็นการดีเป็นคำพูดของงค์ที่ห้ามันเราก็จะเห็นว่ามันาาก็จะโลคปวดลงเรียบร้อยหมดองศูนย์องค์งที่หกจึงเน้นไปที่อภัยทาน แทนที่จะพูดถึงวัตถุธาตุมันก็มันก็หมดแล้วนะฮะคือเอาเจตนาก็มาพูดแล้วเอาบุคูลรับก็พูดแล้ววัตถุก็มาพูดแล้วท่านก็บอกว่าอันหนึ่งแม้ความสำรวมในสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายก็เป็นการดีก็หมายความว่ารักษาศีลข้อที่หนึ่งั่นเองแต่ถ้าปธิบายปรนี่ขึ้นไปโดยลำดับ ผู้ใดไปในที่ไหนๆไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ทําบาปเพราะกรูภัยคือคำติเตียนอันนี้คืออะไรคืออะไคืออตตปะนะฮะอตตปะมันเกิดเป็นมโนธรรมสำนึกขึ้นภายในจิตใจของตัวเองแต่ว่าจิตใจไม่ค่อยประนีตนะฮะคือคนเราถ้าทำอะไรเพื่อให้คนอื่นยกย่องสรเสริญแล้วก็ถ้าไม่ทำกลัวเขาจะติเตียนแสดงว่าอย่างยังใช่หลบบูกาปไตย ไม่ได้ใช้อันตาธิปไตในทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่เข้าถึงธรรมทิปไตเพราะว่ า, าการยกย่องสรรเสริญการปติบติียนของคนนอกเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะมันไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดสมมติว่าเราทำความดีแล้วคนยกย่องเราหมดเลยเราก็ได้ความดีเท่าเดิมมาแหละแต่ว่าคนที่ยกย่องเนะ่ะเขาได้ ได้เขาเรียกว่าปัตตาโมทนาใหม่คือบุญที่สาเร็จโดยการนโมทนาการทำบุญกับบุบคคลอื่นแล้วสมมติเราทำดีแต่ว่าคนด่าเรามันก็ไม่ได้ลดความดีอะไรของเราแต่ไปเพิ่มบาปเพืแก่คนที่ดา่าเพราะกระบวนการของกรรมเนี่ยเป็นกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมที่สุดคือคนทำเท่านั้นจะต้องรับผลก็ดูไม่ได้รับ การในแง้สังคมเนี่ยก็ใช่แหละจนบ้านเมืองเราเวนี่ยมันก็เดือดร้อนเพราะพวกเสพยาบ้าบางพวกมีโรคเอดบ้บางพวกหัขโมยต่างๆบ้างเพราะว่าเป็นเรื่องสังคมแต่ก็ไม่มีใครมาจับคนที่ไม่ได้เสพยาบ้ากาเสพยาบ้าหรอกคนเสพยาบ้าก็ถูกจับไปคนสู่คนผิดจำนายก็ถูกจับไป แต่ว่าเราในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งสังคมบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวบางทีอาจจะเป็นคนที่มาสายอยู่ในวัดอะไรต่อไรเนี่ยบางทีก็ยุ่งกันนะอย่าวเ น, นี้ยบางทีพ่อแม่ก็แก้ปัญหาลูกตัวเองไม่ได้ก็เข้ามาสมทบในเทศการบวชทำเนรภาคะดร้อนอะไรต่ออะไรเนี่ยพระก็ไม่รู้เรื่องอะไรบวชมาแล้วพวกก็ไปเสพยาเสพติดต่อทีนี้ยุ่งเลย แก่ปัญหากันรุ่มหมดแต่ว่าก็ต้องร่วมทุกร่วมถูกกันก็ไม่จะไหวไงนะคือต้องช่วยกันแต่วา่าถ้าถึงอย่างนั้นต้องบอกกล่าวกันต้องปรึกษาต้องวางแผนต้องประสานงานกันถ้าปล่อยพระไปรับแล้วก็พระบางทีนี่คือไม่รู้เรื่องนะยาบ้านี่ไม่เคยเห็นเลยจำไปเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระเขาทาไม่เป็นหรอกทําไม่ได้ ทีนีการคำนวมระวังที่ทานเน้นไปที่ไม่ทำบาปเพราะกลัวภัยคือคำติเตียนปราดทั้งหลายย่อมสรรเสริญพูดนั้นคือว่าตัวกระตุ้นในเกิดอดตระปะนี่มันมีอยู่สี่ข้อใหญ่เขาเรียวกว่าปรารบปัจจัยภายนอกคือหนึ่งทำชั่วไปแล้วเนี่ยแม้เราเองก็ติเตียนตัวเราเองได้สองมิยุชนนักปราดใครครวพิิพิจารณาแล้วก็อาจจะติเตียน แล้วก็สามถ้าเราเองติดเตียนตัวเราเองไม่ได้หรือว่านักปราดไม่รู้ไม่ติดเตียนเนี่ยแต่บาปก็คือบาปบาปมันไม่เป็นไหนอาจจะถูกจับกลุมคุมขังลงโทษเอาแหละสมมติว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเจ้าห น, น้าที่ตำรวจก็ไม่ได้จับกลุมคุมขังอะไรแต่ว่าตายไปตกนรกนี่ของแน่เลยเพรา ะ, ะต้องกลัวภัยในอบายเนี่ยมันถึงเป็นฐาน แมการสำรวมระวังระดับนี้มองปัจจัยภายนอกอยู่แต่ว่ามันก็ก่อให้เกิดการสำรวมระวังการประปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นทีนี้ก็สะท้อนภาพอีกด้านหนึ่งว่าผู้เป็นคนขาดเพราะในการทำบาปนั้นคือคือว่าบัณฑิตในสรรเสริญคนที่ กล้าในการทำบาปแล้วกล้าในการทําดีนะฮะคือกล้าในการทําดีกลัวในการทําชั่วซึ่งพระเจ้าสอนให้กลัวเรื่องเดียวนะฮะกลัวความชั่วเราจะพูดว่ากลัวบาปกลัวกุศลกลัวนรกก็ที่จริงคือกลัวบาปกลัวกลัววอกุศลนั่นแหละมันเป็นกระบวนการเดียวกันพูดตรงไหนก็ได้ในการทําบาปนั้นนักปรากไม่สรรเสริญคนที่กล้า ถ้จริงสัตบุตรทั้งหลายไม่ทําบาปก็เพราะกลัวบาปแล้วเพราะกลัวนักบาชจะติดเตียนกลัวจะตกเกบกลมคุมงขังลงโทษกลัวตัวเองจะติดเตียนตัวเองได้กลัวจะตายไปตกนรกมันก็ข้อจริงมันก็หมดนะนะก็มาถึงอภัยฐานแต่ว่าท่านเหล่านี้คงไม่ถึงธรรมทานเพราะท่านเป็นพ่อค้านะฮะไปขายของในสำเพาเทวดาที่เจ็ด มันก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทั้งหมดเนี่ยคํากล่าวของใครที่ชื่อว่าเป็นสุภาษิตคือพูดดีพูดงาม พ, พูดเผยราะพระเจ้าว่าทุกคนถูกเป็นสุภาษิตโดยปริยายหนึ่งปริยายหนึ่งหมายความว่าไม่มีใครพูดผิดแต่ว่ามันถูกโดยปริยายนั้นๆแล้วก็เป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกัน เพียงแต่ว่าไม่เข้าถึงหนาหาสาระดังจริงๆนะที่ตั้งเอาไว้เพราะเราเห็นว่ามันก็มาอยู่ระดับศีลแต่าการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นศีลสมาธิปัญญาทรือานศีลภาวนาแต่เราเห็นวิธีการของพระเจ้าแล้วเนี่ยคือสับปัญญยูจริงๆนะก่อนนี่ เ, นเคยคุยกับผู้ใหญ่ท่านแด่งเป็นพระเสระประดับสมเด็จนะคุยกันเรื่อยคุยธรรมะกันเรื่อย แต่บอกเออแม่ท่านศัตรู้จริงๆนะเนี่ยมันอัศจรรย์จริงๆท่านศัะรู้จริงๆคือบอคุยกันแล้วมันมันไม่รู้จะไปไหนอ่ะนะมันเกิดตื่นเต้นเกิดปีติเกิดประโมทขึ้นมาว่าเออเราก็คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะมีโอกาสได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาจนถึงก็มาบวชได้เนี่ย ก็เป็นบุญของเรานะเพราะว่าประชากรโลกมันตั้งเยอะแต่พบพระพุทธศาสนากันก็ไม่กี่ร้อยล้านก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจพระเจ้าตนับสั่งว่าทานนั้นผู้มีปัญญาก็ได้สันเรินกันไวมากแล้วแต่ว่าธรรมบทคือบทแห่งธรรมหรือว่าทางดำเนินของธรรม ที่ประเสริฐว่าทานเนี่ยมันมีอยู่คือว่าสัตบุตรทั้งหลายผู้มีปัญญาแต่ก่อนก่อนมาเนี่ยได้รู้ถึงนิพพานนิพพานนั้นมันเป็นความสมบูรณ์พร้อมของทางศีลปภาวนาแต่ว่าคนจะเข้าสู่กระแสนิพพานเนี่ยมันเริ่มที่ศีลสมบูรณ์สมาธิพอปรมาณปัญญาพอประมาณมันก็เข้าถึงกระแสของไปนิพพานแล้ว ซึงเห็นว่าแนวตัวนี้เป็นแนวธรรมะที่ปฏิใจก็หมายความว่าประรบธรรมณีเป็นใหญ่ให้ความสำคัญแก่ธรรมคือสิ่งที่ดีงามแล้วก็มันก็เป็นการบอกกล่าวถึงพัฒนาการด้านปัญญาของท่านที่ที่พูดนะก็อยากจะตั้งข้อสังเกตให้ท่านผู้ฟังพิจารณาว่าจากการสังเกตนะจากการสังเกตเทียบเคียงข้อความต่างในปัจจัยปิฎก หรือแม้แต่แต่กัถาเองการพูดถึงสวรรค์พูดถึงนรกพูดถึงพรหมโลกเป็นการพูดของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าแล้วก็เทวดาพรหมนะหมายความว่าทุกคนมีประสบการณ์ตรงทุกคนมีประสบการณ์ตรงที่พูดเรื่องที่ท่านสัมผัสแล้วก็นํามาสแสดงแก่เรา แต่บาคนยุคนี้บางทีก็เป็นรื่นหน้าห่วงพี่น่าห่วงก็คือคัดค้านธรรมเทศนาของพุทธเจ้าน่าเฉยต่เฉยอธิบายในรกสวรรค์ไปตามอัตวิสัยนรกสวรรค์มันเป็นเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยาบนะมันตั้งอยู่โดยธรรมมันเป็นกฎเกณฑ์ในธรรมชาติของมันแล้วก็ มันเป็นกรรมนิยามมันเป็นไปตามกระบวนการแห่งกรรมแล้วก็มีอุตุนิยามลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางภูมิอากาศลักษณะทางสภาพแวดล้อมอะไรต่อไรเนี่ยมันมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าจะสัสรู้นะฮะพระเจ้าสัสรู้พระเจ้าขีนพระเจ้าพบเมื่อพระองค์ได้ทิพยจักสุได้บรรลุจุตูปปาติยานได้บรรลุปุเพธวัสอาตยานแล้วได้ บรรลุจุดตัวปาฏิยานนะฮะตอนรู้เรื่องนรกเนี่ยซึ่งปัญหาที่เราจะต้องถามใจตัวเองว่าผู้เจ้าทรงแสดงด้วยพระญาณและเราคัดค้านด้วยอะไรมีคนเป็นมากนะฮะเวลานี้ค่อนข้งางก้าวร้าวผู้เจ้าประเมินตัวเองสูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนพูดพู้เจ้าเป็นคนแสดงนะ คือบงางครั้งมาตรงมองอะไรรอบขรอบอย่างวันก่อนได้ยินพระอพูดปวกสร้างพระเครื่องพระบูชาพระอะไรตะไระหนั่นเป็นปวกพุทธฟ้านี่เป็นปวกงม ง, ง, งายไร่เหตุผลอะไแต่พูดไปได้อย่างไงพระอราหันนำสร้างบางทีนะฮะบางทีพระมหากษัตริย์นำสร้างพระผู้ใหญ่นำสร้างนักปราดราชบัณฑิตทั้งหลายก็สร้างเยอะเขาไม่ได้สร้างอย่างที่เราคิด แต่ก็สร้างด้วยจิตสานึกระดับเขาแล้วเราก็ไปด่าเขาเขาได้บุญเราได้บาปหมายความก็ทำด้วยความรู้แต่เราทำด้วยความไม่รู้เราไม่ได้อะไรเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องยกถวายนะยกถวายพระพุทธเจ้าไปเพราะพระพุทธเจ้าสัสรุต้องฝั่งทั้งหลายแต่ลงพระพธิยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาวิ่งเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความจเจริญงวงามไปบูรณนธรรมจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี